เรามีสิทธิ์มอมเมาให้เราหลงเรามีสิทธิ์มั่นคงไม่หวั่นไหวเขาเสพสุขสนุกสนานสำราญใจเราเสพในรสวิมุต ย, ยุดความลวงคือสำนึกแห่งพุทธสุดประเสริฐ ด, ดับจุดเกิดกิเลสกามความหอบหวง ด้วยเข้าถึงอนิจจังสิ่งทั้งปวงจึงทะลวงอวิชชาสู่ฟ้าไทยอิสราเรา ฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็เจริญสติไปด้วยท่านจะอยู่ในอิรียาบทใดก็ตามเนี่ยกลังนอนฟังรายการธรรมะหรือกําลังนั่งฟังหรือกาลังทำอะไรอยู่ก็าตามเราอย่าปล่อยเวลาโอกาสของเราเนี่ยไปฟรีๆเราต้องพยายามที่จะมีสติและเลือกรู้ลงไปในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้สำคัญมาก การเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกฝนกจิตใจโดยตรงเลยไม่มีอะไรที่จะมาฝึ ก, กจิตใจเราได้นอกจากสติสัมปชัญญะเทนั้นสติเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าจะกล่าวถึงประโยชน์สติเนี่ยมีหลายอย่างก็ได้กล่าวไปแล้วบ้างแต่วันนี้นี่เราลองมาสังเกตดูโทษของการขาดสติเนี่ย กำลังรู้สึกตัวอยู่นะกำลังมีสติอยู่ขณะปัจจุบันยาปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยค่อยรอมาลองซีว่าสตินี่มันมีประโยชน์กับเราอย่างไรอันที่จริงแล้วเนี่ยสตินี่ก็คือชีวิตของเราหลวงพ่อคำเขียนท่านได้กล่าวไว้ว่าสตินี่เป็นศูนย์รวมของชีวิตเลยก็ว่าได้ใครก็ตามที่ขาดสติ มันไม่一样กับชีวิตมันไม่มีตัวไม่มีตนมันว่างมันเมื่อยลอยไม่一样เราไม่ได้เกิดมาอยู่ในโลกนี้ปล่อยจิตไปจะให้เม่อยลอยเนี่ยเท่ากับเป็นการขาดสติเมื่อเราไม่มีชีวิตแต่ยามใดที่เรากําลังรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการทำหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่กับการฟังเนี่ยในหลักคือชีวิตเรากลับคืนมาแล้วเพราะฉะนั้นชีวิต คือสติสติคือชีวิตเราลองมาดูคนที่ขาดสติคนที่ขาดสติเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทหรือที่เราเรียกว่าคนบ้าคนบ้านี่ขาดสติแน่นอนคนเมาคนเมาเนี่ยที่จริงเขาก็มีสติอยู่นะแต่ว่าสตินี่น้อยมากคือสติไม่มีกำลัง เราจะสังเกตคนบ้าก็ดีคนเมาก็ดีน่าจะจัดอยู่ในพบภูมิเดียวกันคือคนที่ไม่มีสติตั้งนั้นคนเมาเขาจะทําอะไรจะพูดอะไรไม่รู้จักกาลเทศะไม่คํานึงถึงโอกาสหรือสถานที่ไม่มีกาลเทศะอันนี้คือการขาดสติคนหลับคนหลับก็ถือว่าขาดสตินะ คนสลบเนี่ยบุคคลเราเนี้ยขาดสติทั้งนั้นแต่ว่าการหลับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็พอจะให้อภัยแต่คนเมาหรือคนบ้าเนี่ยบุคคลเราเนี้ยไม่มีสติการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเรนาดูเถอะถ้าเราขาดสติเนี่ยจะมีผลเสี ย, ยเป็นส่วนมากไม่ใช่เวลาเรานั่งเมอรอย เผลอไปในอารมณ์ต่างๆเห็นจิตใจเลื่อนลอ ย, เ, ยเวลามีเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเราจะสะดุ้งนะถ้าขาดสติเราจะสะดุ้งตกใจท่านผู้ฟังเคยมีไหมถ้าขณะนี้กำลังฟังอยู่เนี่ยเรากำลังมีความรู้สึกตัวมิสติอยู่เนี่ยเราไม่ตกใจถึงที่มีเสียงดังมีเสียงอะไรหล่นเราก็ไม่ตกใจ เ, เพราะเรากาลังมีสติอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้า แต่ถ้าเราปล่อยกิจปรใจให้เผลอมือรลอยเนี่ยเสียงดังขึ้นมาเราจะสะดุ้งทันทีเลยเราจับสิ่งของขึ้นมาถ้าเราขาดสติในการจับฉวยถ้าสิ่ง ข, งของเหล่านั้นหลุดจากมือไปเราจะใจหายวับนี่แหละคือการขาดสติบางทีร้องหุ๊ยวายขึ้นมาเนี่ยอันนี้ขาดสติทั้งนั้นเห็นไหมเราเคยมีไหมอย่างนี้เวลามีอารมณ์โกรธ หงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราลึกลุ้ในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราเผลอสติเราอาจจะทําตามอารมณ์ไปเลยก็ได้หงุดหงิดไปตามอารมณ์บางทีออกมาทางวาจาบ่นเพ้อลำพันธ์หรือดุด่าว่า ก, กล่าวอย่างไร้สติหรือบันดาลโทสะฆ่าคนทําร้ายสิ่งของเลยก็ว่าได้อันนี้คืออาการของการขาดสติ เราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราเคยลืมของไม้มเอาของวางไว้ตรงนี้ก็ลืมนลืมแว่นตาก็ดีกุญแจก็ดีหรือหลายอย่างที่เราลืมเนี่ยเราลืมสติเท่านั้นเองครับถ้าเราไม่ลืมสติเนี่ยเราจะนึกได้ทันทีเลยแล้วเราไปเขะหัวตัวเองว่าโอ้เราีขี้ลืมจริงอย่าไปเขกหัวอย่าไปเขกร่างกายสงสารก็เราใช่ก็ ใจต่างหากผู้ที่ลืมเราลืมสติอย่าไปเขตอย่าไปทําร้ายร่างกายนี่เรากําลังทํากับข้าวอยู่ในแดนงานของเราเนี่ยในวงงานของเราเนี่ยหลายครั้งที่เราลืมลืมว่าเราวันนี้เราลืมอะไรไปลืมใส่อะไรไปลงมือทานอาหารร่วมกันแล้วทานจนอาหารจะหมดชามนะเราเดากันเอ๊ะนี่อาหารมื้อนี่นี่เราขาดอะไรไป ที่จริงเราไม่ขาดเราไม่ขาดกระเทียมไม่ขาดพริกไทยไม่ขาดหอมแต่เราขาดสติเราขาดสติอาหารจึงไม่ครบการงานของเราจึงไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์แม้กระทั่งการขับรถเนี่ยการขับรถเนี่ยสำคัญมากเราต้องมีสติในการขับอยู่เสมอๆ อ, อยู่กับปัจจุบันอยู่ในขณะที่กาลังขับรถเฉพาะหน้า ถ้าเราเลลอสติเมื่อไรแล้วก็โอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุมีมากถ้าเราไม่ประสบบัติเหตุตอนนีอาจจะเลยเลยตรอกเลยบ้านเลยทางแยกต้องกลับไปอยู่เทินใช้เวลาอีกนา น, นอันนี้เป็นจากการลืมสติขาดสติทั้งนั้นเนี่ยทุกโทษของเขามีมากเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักถึงตรงนี้ให้มากเราต้องมาสร้างความรู้สึกตัว สร้างสติให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆนะมีตัวนี้เอาไว้อันนี้เราเป็นการฝึกจิตต้องขยันสร้างในการเคลื่อนไหวก็ดีในการคิดนึกก็ดีให้เรามีสติเราลึกรู้ลงไปเอากายของเรานี่มาเป็นนิมิตคําว่านิมิตนี่เราอาจจะนึกถึงภาพที่ว่าหลับตาแล้วก็สร้างขึ้นมาอันนั้นก็ใช่อยู่ แต่ก็ไม่ถูกต้องเสมอไปนิมิตแปลว่าเครื่องหมายการเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องหลับตาก็ได้เราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้การที่เราหลับตาลงไปแล้วเราก็สร้างเป็นภาพนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจดีเป็นแสงสว่างอันนี้ทัวเป็นนิมิต แต่นี้ก็ยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ของจริงพอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีขึ้นแล้วของจริงต้องมีขึ้นทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาอย่างเช่นถ้าเราหลับตานึกถึงภาพที่มิที่ดีก็ดีไปถ้าเราไปนึกถึงภาพนี้มิตที่ไม่ดีเป็นผีเปรตเป็นนรกเป็นสิ่งเลวร้ายเนี่ยเราเผลอสติเราอาจจะเป็นบ้าหรือเสียจิตไ ป, ปก็ได้ นี่หละคือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ถูกลางคือคิดนึกออกมาแล้วก็หลงไปกับนิมิตเหล่านั้นทำให้เราเป็นบ้าแต่ถ้าหาว่าใครหลับตาแล้วเห็นภาพนิมิตเหล่า น, นี้ไม่เป็นไรเราลืมตาทันทีเลยสิ่งเหล่านี้จะหายไปนิมิตที่ถูกต้องทีแท้จริงนั้นหลับตาก็เห็นได้ลืมตาก็เห็นได้ เ, เช่นการเจริญสติของเราเนี่ยเราก็มีนิมิตอยู่ นิมิตของเราคือกายที่เคลื่อนไหวไปมาเห็นไหมเราลองพลิกมือเล่นสิพลิกมือหงายนี่ก็รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำนี่ก็ให้มีสติเอากายที่เคลื่อนไหวมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นนิมิตแล้วก็เป็นของจริงด้วยหลับตาเราก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ลืมตามันก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เห็นหนี่แหละนิมิตจริงๆนี่คือเครื่องหมายที่แท้จริง หรือบางครั้งเราอาจจะเอารมหายใจเป็นนิมิตหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็มีสติลึกรูก้รู้ลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเมลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะเป็นนิมิตหลับตามันก็ยังมีลมหายใจเราลืมตาลมหายใจก็ยังมีอยู่เป็นนิมิตได้เลยเป็นของจริง เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปทานคื อ, อากายของเราเนี่ยลมาหายใจเนี่ยอันเดียวกันเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นนิมิตเป็นของจริงหรือบางครัง้งเรามีการปวดเมื่อยตามด้า น, นร่างกายเจ็บปวดเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยเราหลับตาก็ยังมีอยู่ เราลืมตามันก็ยังมีอยู่เนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยเป็นนิมิตได้เป็นเครื่องหมายของการปฏิบัติธรรมได้อย่างร่างกายของผมเนี่ยว่าโดยแล้วเนี่ยจะมีทุกขเวทนาตลอดเวลาเลยแม้จะไม่มีความรู้ตัวหรือมีอาการออกมาให้ชัดเจนแต่จะมีอาการที่มันชาเพราะคนที่เป็นอัมพาตจะมีอาการเน็บชาตลอดแต่ก่อนก็งงงิดมาก ต่อมาพอเรามาเจริญสติเนี่ยออาการเหน็บชานี่มันก็ดีนะทุกเขเวทนาที่เกิดขึ้นตลอดเวลานี่มันก็ดีทําให้เรามีนิมิตในการเจริญสติบางทีเราไมา่รู้ว่าจะเอาอะไรปฏิบัติเนี่ยเราเอาทุกเขเวทนาคืออาการเหน็บชาเนี่ยมาเจริญสติได้เพราะฉะนั้นทุกเขเวทนาที่เกิดทางกายจะปวดเขา่าปวดหลังปวดศรีรษะหรืออาการแล้วก็ตามที่มัน เป็นแล้วไม่รู้จักขายเนยเราอย่าทิ้งมั น, เ, นเอาตัวนั้นอะมาเป็นฐานที่ตั้งของสติเลยมากําหนดรู้ทุกเลยทุกเขเวทนาเนี่ยไม่ได้มีให้เราเป็นทุกไม่ให้เรากําหนดรู้ม่ให้เราเกิดปัญญาแต่ข้อสําคัญคือเราอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกให้เราเป็นผู้เห็นทุกซะทุกส่วนหนึ่งสติที่เข้าไปรู้นี่ส่วนหนึ่งให้มันแยกๆกันอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุก ถ้าเราเข้าไปเป็นผู้ถูกเสียแล้วเนี่ยขลายเล่าจะเป็นผู้กําหนดรู้ต ท, ทุกขเวทนาก็เอามาเป็นนิมิตได้ไม่กระตั้งความคิดนึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยทุกครั้งที่มันคิดนึกเนี่ยหลับตามันก็คิดได้ลืมตามันก็คิดได้เพราะฉะนั้นเราลืมตาและกําหนดรู้ในความคิดเหล่านั้นความคิดมันก็เป็นนิมิตเป็นของจริง แม้กระทั่งสติที่เรากำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยสติเนี่ยมันก็เป็นนิมิตเรารู้ทันรู้ทันในความรู้สึกตัวของเราเนี่ยเอาความรู้สึกตัวเอาสติได้เป็นนิมิตไปเลยเป็นของจริงนะเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเรากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะคือสติก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นนิมิตที่เป็นจริงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น เราเอาสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติมาเจริญสติเราจะเห็นทุกเห็นเหตุของความทุกเห็นความดับทุกขที่มีขึ้นในจิตในใจเราด้วยการสร้างสติอยู่เสมอๆนี่หละคือการฝึกฝนจิตใจ